เรื่องความปรารถนาหประการของพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคุรัตข้อห้ขณะนั้นพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคุรัตได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธทำแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระาศาสดาได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า เมื่อก่อนหม่อมฉันยังเป็นพระกุมารได้มีความปรารถนาห้าประการพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ความปรารถนาห้าประการเหล่านั้นของหม่อมฉันสาเร็จแล้วคือ 1. เมื่อก่อนหม่อมฉันยังเป็นพระกุมารได้มีความปรารถนาว่าชนน์นอพระสุกนิกรเพึ่อภิเศกเราในราชสมบัตินี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าข้า บัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสาเร็จแล้ว 2. ขอพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่สองพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสาเร็จแล้ว 3. ขอหม่อมฉันพึงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น นี่เป็นความปรารถนาของหม่อมชันประการที่สามพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันสำเร็จแล้ว 4. ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่หม่อมชันนี่เป็นความปรารถนาของหม่อมชันประการที่สี่พระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันสำเร็จแล้ว 5. ขอหม่อมชันพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น นี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่หพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วเมื่อก่อนหม่อมฉันยังเป็นพระกุมารได้มีความปรารถนาหประการเหล่านี้พระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ความปรารถนาหประการเหล่านั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพรงค์ผู้เจริญหม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาค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 จึงเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับผ่านราตรีนั้นไปรับสั่งให้ต ร, รัตยมของเคี้ยวของฉันอันประนีตไว้แล้วให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพัตการวา่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัฒหารเสร็จแล้วข้อ58ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวร เสด็จเข้าไปยังกรุงราชครึพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ราวหนึ่งพันรูปล้วนเคยเป็นชชดินทั้งนั้นขณะนั้นเท้าส ก, กะจอมเทพทรงเนรมิตรเพศเป็นมานพเสด็จพระดำเนินนำอยู่เบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงขับคาถาเหล่านี้ไปพลางว่า